ก็ น, ำนำอกน้อมต่อพระรันไทยัยขอการาบถวายความเคารพหลวงพ่อโกบิงประทานอาจจะเลในสิ่งในธรรมนะยตินักปฏิบัติทรทุกทุกท่านก <c oughs> ็อรรมาก็อยู่ที่นี่ก็ก็หลายปีเนาะบางคนก็คงจะเคยเห็นนะเคยรู้จัก เริ่มแรกๆตอนแรกๆก็อาตมาก็ไม่ค่อยดีอ่าไม่ค่อยได้ออกไปตามสายงานแล้วก็ไม่ได้ออกไปอาตามสายต่างๆไม่ได้ไม่ไม่ค่อยได้ติดตามหลวงพ่อว่างนั่นเองนะตั้งแต่มาอยู่กับหลวงพ่อก็ไม่ค่อยได้ติดตามเป็นแตกคนเฝ้าน <c> ะ <oughs> ตั้งแต่หลองพวอกรอดมานะหน้องพ่อกรอดนะที่หลองพวกพวกรอดก็เป็นคนเฝ้าที่บ้านเท่นนั่นกันนี้ อย่างหนึ่งภาษ า, าที่นั่นก็เป็นต่อคนเฝ้านะก็ไม่ค่อยได้จิตตามท่านเพราะว่าไปไหนมาไหนก็บางทีก็ไม่มีคนอยู่นะไม่มีคนอยู่ท่านก็ไม่ค่อยได้อยู่วัดแตมาเลยเป็นคนที่รับภาษาเป็นคนเฝ้านะตลอดไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะก็เมื่อช่วงหลังๆนี้ก็ก็ได้ออกไปบ้างนะได้ออกไปบ้างนะ อิตลียนนี่ท่านก็ไปช่วยทันที่ปีนักลินก็ก็เลยไปท่านโทรมาตามนะก็สถานที่ตรงนี้นะก็มีมาก็หลายปีตั้งแต่ปีสี่หกสี่เจ็ดนะก็เกือบสิบปีแล้วนะเริ่มเรือกนะเริ่มเลือกก็เป็นเรียกว่ากว่าจะได้มาเป็นอใช้ได้ได้ขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดานะ ก็ไม่ธรรมดากว่าเราจะได้มาถึงจุดนี้เราก็ต้องต่อสู้กับหูปัสสาวะต่างๆหลายๆอย่างนะไม่ว่าเรื่องทางเข้ามาแล้วก็เรื่องบุคคลต่างๆที่เป็นเจ้าอ่างว่าเป็นเจ้าของอะไรต่ออะไรเยอะแยะทั้งป่าไม้ทั้งอะไรหลายๆอย่างนะก็เราก็ไม่พูดถึงกันนะแต่เรื่องที่เราได้เข้ามาจุดนี้ได้ก็เพราะว่าอาแรงอ่าปฏิบัติของเรานันเนี่ยนะไป แรงการปฏิบัติของเราที่ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆได้เพราะว่าพระเจ้าประสงค์ด้วยญาติโยมที่เข้ามาอยู่ที่นี่เข้ามาก็เพื่อตั้งใจเข้ามาปฏิบัติขัดเก่าตัวเองะคนที่เข้ามาแล้วถ้าไม่ตั้งใจจริงๆเขาก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เพราะว่าเข้ามาแล้วเขาไม่ไม่ทําเหมือนเราะเขาไม่ทําไม่ได้เหมือนเราเข้ามาเลยสามวันสี่วันก็เข้าไปนะ แต่คนที่ตั้งใจเข้ามาจริงๆทำจริงๆเขาก็สามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตใช้กับชีวิตประจาวันของเขาได้ในเรื่องของการปฏิบัติก็เหมือนเมื่อเร็วๆนี้ก็นิยมที่หลวงพ่อแนะนำเข้ามาทุกมากนะทุกมากหลวงพ่อแนะนำเข้ามาก็มาแค่ห้าวันนะพอห้าวันมาสองวันเรียกกันร้องไห้จนะหลบเแ็ทุกมากพอแกเข้าใจมัน พอเข้าใจแกออกจากตรงนั้นได้แกบอกโอ้ฉันคิดถึงหลวงพ่อนะถ้าหลวงพ่อไม่บอกฉันมาในจุดนี้เนี่ยฉันตายเนี่เนี่ยแกว่าอย่างนั้นหลวงพ่อแนะนําเข้ามาอ่แกก็เข้ามาแต่แกก็ก็ทนเอานะแกไม่เคยลําบากไม่เคยลําบากก็มาก็ลําบากพอสมควรนะก็สามารถที่จะอตอนนี้ก็แกพ อ, อ, อกไปก็ได้งาน ทำว่าได้งานรัฐสภารัฐสภานะ่ะแล้ละสองหมืนสี่แล้วก็อะไรเยอะแยะน่ะแค่ว่าแค่ว่าแค่มาแค่ห้าวันนะเนี่ยแค่ว่าอืมก็อันนั้นเรื่องของการปฏิบัตินะแต่เรื่องสถานที่นะเรื่องสถานที่ตรงนี้ก็เหมาะสมน่ะเหมาะสมสําหรับในเรื่องของเข้าการการเข้ามาภาวนาการปฏิบัติเพราะว่าห่างจากสถานที่ห่างจากหมู่บ้าน ่างจับแกงบันเทิงต่างๆที่เข้ามารบกวนนะไม่ว่าลถไม่ว่าเสียงอะไรต่างๆไม่ว่าบุคคลที่จะเข้าพุกผ่านเข้ามาก็ไม่ใช่ทางผ่านไม่เป็นทางผ่านะเป็นทางตันตรงนี้นะนอกจากในพานนั้นที่จะขึ้นเข้ามาผ่านแต่ว่าทุกวันนี้ก็ไม่ผ่านแะ้วในพานพวกพานป่าต่างๆก็ไม่ผ่านเข้ามาทางนี้นะเขาก็หาทางไปของเขาแต่จะก่อนก็ผ่านเข้ามาทางนี้เพราะว่าเราไม่มี ลั้วไม่มีอ่าไม่มีขอบเขตนะแต่พอเราไม่มีขอบเขตมีอะไรแล้วเขาก็อ่าเกรงใจนะพวกผ่านพวกอะไรก็เขาก็าาไม่ไม่เข้ามากันมาทางนี้แต่ทุกวันนี้ก็ผ่านก็เหลือน้อยแล้วล่ะนะเพราะว่าออ่่าาทางเจ้าหน้าที่เขาก็ดูแลยอย่างดีนะก็ทุกวันนี้ก็สัตว์ก็ยังพอเห็นได้อยู่นะพวกสัตว์ป่าต่างๆที่มาใส่ข้างๆวัดเรานะ ก็มีหลายๆะเราก็จะเห็นพวกกระรอกบ้างพวกบางทีพวกกลิ่นพวกอะไรก็จะลงมาข้างๆพอเลี้ยงแดงก็จะลงมามาเป็นฝูงลงมากินน้ํากินหาผลไม้หาอะไรกินถแถวรอบวัดแ้วก็จะมีพวกเตียงผาพวกหมูป่าพวกนี่แหลนะแต่ว่าเสือคงจะไม่ลงมาหรอกนะนะเสือคงจะไม่มาตอนนั้นก่อข่าวกั น, นตอนชุด แม่ว่ามาอยู่ว่าเสือมาร้องคำรามโอโหนะครับทำให้คนกลัวเยอะเลยนะแต่มันไม่ใช่หรอกแกฟังเสียงผิดนะตอนเช้ง น, นั้นนะเสียงไม่ใช่เสียงเสือนะเสียงอย่างอื่นนะเสือไม่ลงมาหรอกนะเสือนู่นอยู่ป่ามีมียังมีอยู่ครับผงพ่อมีแต่นานๆลงมาทีครับ ม, มีมีอยู่นะแต่ว่า พวกนี้เขาไม่ไม่ทำร้ายคนหรอกนะเามาเขามาหากินหากินแล้วก็ขึ้นไปเพราะว่าบนเขาบางทีมันแล้ยงจัดๆเนี่ยหาหาอะไรกินไม่ได้แล้งแล้งจัดผลไม้อะไรก็ไม่มีเราแถบวัดเราเนี่ยอุหลมสมบูรณ์แล้วก็ทางป่าละมุดทางโน้นมีมะพร้าวมีอะไรของจนันทุศก็จะลงมาหากินนะมาใส่มาใส่นะใสรอบๆวัดนะเป็นพวกไกป่ปลาพวกอะไรก็เราก็เห็นธรรมชาติได้นะตอนนี้แล้วก็เป็นพวกตะกรวดพวกอะไรี่พวก อ่าต่อไอ้พวกสัตว์ต่างๆนี่แหละที่ที่ที่พอเขามาลงอาศัยอยู่แล้วรอบๆนี้มันพอหน้าหน้าร้อนปุ๊บเนี่ยมันจะข้างบนมันจะร้อนมากเขาจะลงมาอยู่รอบๆวัดเรานะะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นร่องน้ําตลอดเป็นร่องน้ำรอบๆรอบๆหมดนะก็เป็นสัตว์ที่ไม่มีอันตรายอะไรนะฮะตรงนี้สําหรับพวกสัตว์ต่างๆนะที่อ่าช่วงที่เรา เข้ามาปฏิบัติเนี่ยบางคนก็จะเห็นนะบางคนก็จะเห็นถ้าเพราะว่าที่นี่มันเป็นอแหล่งที่สงบนะสงบถ้าเราสงบยิ่งสงบเราก็จะได้เห็นธรรมชาติเห็นธรรมชาติได้ดีนะเพราะว่าธรรมชาติอก็อยู่กับความสงบนั่นเลยนะความสงบนะท่านที่ตรงนี้ก็เรื่องน้ํา น, น้ําเราก็ต่อมาจากภูเขานะต่อมาจากภูเขา ใช้ท่อต่อมาท่อป่ า, ปาต่อมาเราก็มาแยกใส่ถังใ ส, ใส่แท้งใส่แท้งเก็บไว้แต่แท้งเราก็ไม่มีไม่มีมากนะเพราะว่าช่วงบนนั้นป่าไม้เขาไม่เาไม่ให้เราทำแท้งน้มไม่ให้เราทำแท้งน้ามาตรฐานเราก็เลยใช้ถังเป็นถังพลาสติกถังใหญ่สองพันลิตรบ้างแล้วก็โอน้า ว่างเอาไปรองไว้นะเพื่อสำรองที่จะอารงมาใช้เพราะว่าถ้าเราใช้ต่อตรงเลยถ้าเกิดน้ำขาดน้ำไม่มีเราก็จะไม่มีน้ำใช้เราก็เลยต้องหาถัางสำรองไปอาใส่ไว้เพื่อเอาไว้ใช้นะเอาไว้เปิดลงมาใช้แต่วันไหนที่น้ำมันมันขาดาน้าขาดเราก็ต้องขึ้นเราวิ่งขึ้นวิ่งลงแหละข้างบนนะนะเพราะว่า อ่าก็ห่างจากนี้ก็ประมาณหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลนะขึ้นไปตรงที่ต้นน้ําที่เราต่อมาหนึ่งกิโลก็ก็บางทีก็ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงขึ้นไปดูนะบางทีน้ําขาดน้ําแตกอะไรก็อ่าก็ต้องดูแลพอสมควรนั่นแหละตอนนี้นะจะช่วงไหนที่สะดวกสะดวกเราก็ได้เป็นเดือนเหมือนกันกว่าจะได้ขึ้นไปดูนะในเรื่องของน้ําเรื่องสถานที่ก็เราก็ปรับปรุงอ่า ไปตามเกียต์ตามปัจจัยเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ตอนแรกก็ไม่มีต้นไม้ไม่มีป่าไม้นะไม่มีป่าไม้เราก็พยายามปลูกต้นไม้แต่ต้นไม้เป็นพวกมะขามอ่าพวกลำไยพวกอะไรนะั้นะพระไม่ได้ปลูกอีกนะนะ่เราไม่ได้ปลูกเรามารักษาเอานะพวกมะขามหวานพวกลำไยพวกกระ thon พวกต้นไม้ต่างๆเรามาปลูกกับพวกไม้ยืนต้นไม้มะค่าพวกไม้มะค่าแล้วก็ มะม่วงที่ที่เป็นเม็ดรเราเอาเอาใส่ไว้เอาไว้ร่มนะเพราะว่าพวกนี้ใบจะไม่ค่อยหล่นนะใบจะไม่ค่อยหล่นเราก็มาปลูกแมฝนะแต่พวกผลไม้ต่างๆนะมีทุกอย่างนะผลไม้มีทุกอย่างแล้วก็มีมากจนได้คำนะเห็นมะขามได้คำกิ่งนะมะขามนี่กิ่งหักเลยมะขามหวานนะถ้าไม่คำนะนอาจจมาเกิดมาเพิ่งเคยเห็นกิ่งมะขามหักนะตั้งแต่ปีก่อนนู้นนะ โ oh, หักลงไปเลยเพราะว่ากิ่งมะขามนี่มันจะเหนียวมากแต่ว่ามันมันโดกกับมันรับน้ําหนักไม่ไหวมันจะดกมากกิ่งหักลงมาเลยนะต้องได้ขากันนะก็ไม่รู้ว่าาได้ปุ๋ยยังไงเราก็ไม่เคยไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะจะเป็นน้ําเป็นเป็นน้ําลงลงมาจากข้างบนนั่นแหละมันจะมีแร่ธาตุนะน้ําที่เราใช้กันเป็นน้ําใสสะอาดมาจากออกมาจากถ้ำถ้ารอดนะ ในเรื่องของผลไม้เราก็ไม่ได้ปลูกคือหาว่าโอ้พภาวันนี้เศรษฐกิจนะปลูกต้นไม้ผลไม้เอาไปขายไม่ใช่นะก็อะออยอดโยมนั่นแหละเข้ามาแล้วก็แจกจ่ายกันไปไทยก็ไม่ได้อะไรหรอกก็มันมีอยู่แล้วเราก็รักษาไว้เพื่อเอาไวเนะ้เป็นร่มนะเป็นร่มก็เราก็อาศัยร่มได้เราก็อาศัยรักษาไว้เขาก็เขาปลูกไว้ตั้งแต่เราเข้ามาอยู่ที่แรกตนเล็กๆนะี่เราก็มาดูแลรักษาบำรุง ตดูแลรักษาก็ตัวพอได้อาศัยร่มนะแล้วก็เรื่องของปุติแต่ละหลังเราก็อเปลี่ยนแปลงนะไปตามเหตุตามวัตใจเพราะว่าอาแรกๆที่เราเข้ามาอยู่ก็เป็นเหมือนเล้าไก่นั่นแหละก็ยังอนุรักษ์ไว้อยู่หลังนู้นหลังริมนู้นหลังริมทางนูน้นก็ยังอนุรักษ์ไว้อีกสองหลังเป็นเล้าไก่มีมุ้งเขียวกั้นรอบะการรอ บ, นะนะรรอบแล้วก็แต่ว่ามันหมดสภาพแล้วมันหลายปีนะทั้ง หกเจ็ดปีแปดปีมาแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงเพราะว่าอายาโยมเข้ามาก็สถานที่ก็ไม่พอกันก็ค่อยเปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาของเขาเพราะว่าอของเก่ามันก็ใช้ไม่ได้แล้วนะเป็นพวกยากคา่าพวกไมท้ที่เราเอามาทำแล้วก็ทําให้มันเป็นมาตรฐานดูแลรักษาง่ายนะตอนนี้เราก็ก็มีหลายหลังอยู่นะก็มีรายหลังที่ าพอจะอ่าพักปฏิบัติกันได้ะแต่ก็ไม่ไม่พอหรอกะไม่พอแต่ว่าช่วงนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าแรงอ่าต่อหนาวนะอ่าฝนต่อหนาวะฝนก็สงสัยจะหมดหละ่ะดูท่านะไม่ไม่มีวีเววเลยนะมิะจแดดร้อนแต่ตอนเช้าจะมีหมอกนี่นะจะมีหมอกอ่าช่วงเช้าจะมีหมอกเป็นบางวันนะเป็นบางวันก็เราก็กลางเต้นกลาง กดตรงไหนก็ได้ช่วงนี้สําหรับถ้าเราก็ตอนนี้ก็ขึ้นไปกลางกันข้างบนทั้งข้างบนก็เตรียมทําอ่าเตียนหมดแล้วเตียนมีทางเดินยังคงมีอะไรพอได้ปฏิบัติได้อ่าปากมันจะกว้างนะปากปากก็จะกว้างเราจะใช้ได้หมดเลยรอบรอบเขาช่วงปีปีเข้ามาปีที่สองหลวงพอ่อเลยพาเข้าเข้าค่ายรอบเขาเลยรอบหมดเลยเต็มน้ําตก นะพระเข้ามาเยอะช่องพระสัญญ ง, งก็เข้าค่ายกันที่นี่ว ก, ก็ก็สะดวกนะเข้าค่ายสถานที่ก็พอที่เข้าค่ายก็พอพาจัดเข้าค่ายแล้วก็จะมาก็ก็เข้ากันอยู่สองปีเนี่ยที่นี่นะเดือนหนึ่งนะเดือนเขาครั้งละเดือนหนึ่งเดือนนะเขาเก็บอารมณ์กันอ่านะก็เรื่องของ อเสนาสนะนะเสนาสนะเครื่องใช้ต่างๆพวกเสื่อสะอาดมุ้งหมอนที่นอนเสื่อก็เราก็ช่วยกันดูแลรักษานะเป็นพวกความสะอาดอาการจุดเทียนนาจุดเทียนเราต้องหาอะไรรองะหาอะไรรองเพราะแผ่นกระเบื้องเนี่ยเวลามันถูกเทียมขี้เทียนไปแล้วมันจะแคะยากนะแคะยากเราต้องใช้ใบมิโกมไปขูดออก เราก็พยายามหาแพานชนะอะไรก็ได้นะเอาไปลองเอาเสียนตั้งเวลาเราจุดมันจะได้ไม่ไม่ไปอาแต่ที่น้าตาเทียนจะได้ไม่ไม่ไม่ไปลงเลอะก็แผ่นกระเบื้องอ่มันก็จะทําให้สกรปรกฮ ะ, ะทุกทีอาตมาเข้ามาอาตมาก็จะแนะนําในเรื่องของการใช้เทียนเพราะว่าอพอพออกไปถ้าคนไม่เข้าใจใช้ต้องอาตมาต้องพาการไปขูดนะขูดขูดขูดเพราะว่ามัน มันจะพอสะสมมากๆมันจะหนามันจะสกปรกพื้นกระเบื้องจะสุขปรกเราก็ช่วยกันดูแลรักษากันแล้วกันเรื่องของความสะอาดเสนาสนะต่างๆก็เป็นของเรานั่นแหละไม่มีของคนอื่นนะไม่ใช่ของพระพระเป็นผู้มาอาศัยผู้ดูแลเฉยๆนะเป็นของญาติโยมทุกคนญาติโยมทุกคนมีส่วนมีส่วนที่จะช่วยกันดูแลรักษาเสนาสนะทุกอย่างใครอยู่ตรงไหนเราเราก็เราอยู่ตรงไหนเราก็ดูแลตรงนั้นนะตอบแทนบุญคุณ ที่อยู่อาศัยนะไม่ว่าห้องน้ําห้องท่าอะไรก็แล้วแต่นะเราใช้แล้วเราก็ตอบแทนบุญุเขานะแล้วล้างดูแลให้เขานะเนี่ยก็ทั้งน้ําท่าอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็พยายามตรงน้าตรงไหนที่ ท, ที่ที่มันรั่วมันมันแตก ก, ก็ก็บอกด้วยนะก็แล้วกันเพราะว่าบางทีท่อท่อก็บางอันก็ต่อไว้มันก็ไม่ค่อยมาตรฐานเท่าไหร่ถ้ามันแตกมันรั่วก็ก็ให้บอกพาอะไรไ ป, ไป ไปไปต่อไปทําำเรื่องน้ําเรื่องอะไรอ่าส่วนเรื่องอื่นๆก็คงจะไม่มีอะไรล้มไม้ก็พอใสยได้ะล้มไม้ก็พอใสยได้เรื่องของการปฏิบัติวันนี้ก็จะให้หลวงพ่อท่านนาเรื่องแยกกลุ่มแยกอะไรกับหลวงพอ